115. ด้วยปราถนาดีจริงใจต้องขออภัยกันอีกแหละที่อาจจะมาเน้นอยู่ในประเด็นหลับตาปฏิบัติหรือลืมตาปฏิบัติหรือออกปาพูดซ้ำยำ้ำวนเวียนไปมาแล้วแล้วเล่าๆ ล, ลนี้จนหน้าเบื่อและพยายามนำเอาหลักฐานจากพระไตรปิฎก สารพัดมาอ้างอิงยืนยันก็เพราะศาสนาพุทธทุกวันนี้ได้หลงผิดว่าการปฏิบัติธรรมขั้นสมาธิขั้นฌานนั้นจะต้องหลับตาเข้าไปสะกดจิตการให้เป็นเอกกัคคตาจิตอยู่ในภายในแล้วจึงจะบรรลุนิพพานกันเกือบทั้งประเทศและเผยแพร่มิจฉาทิฐินี้ออกไปเต็มโลกแล้ว ซึ่งมันไม่เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นอาริยะไม่เป็นโรกุตระเลยไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสในมหาจัตตารีสกสูตรพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ 252-281 ถึงเป็นต้นและไม่ตรงตามพระอนุสาสนีทั้งหลายจริงๆตรวจสอบกันดีๆอยามีอคติ ตั้งใจตรวจสอบดูเถิดเมื่อมันไม่ตรงตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วมันจะบรรลุนิพพานกันได้ยังไงมีแต่นิพพานเกออัตมาจึงจำเป็นต้องย้ำทั้งเน้นทั้งกระแทกแรงลงน้ำหนักยืนหยัดยืนยันความจริงกันอย่างทุ่มเทถังโสมจริงๆด้วยปรารถนาดีจริงใจจริงๆ ต้องขออภัยกันซ้าซากอีกแหละเพราะชาวพุทธยุคนี้ได้ยึดมั่นถือมั่นกันมานานจริงๆและอุปทานนานก็กัดก่อกินลึกในจิตกระแน่นความเชื่อและภัยหลักที่แก้กันไม่หลุดได้ก็คือเชื่อสถาบันเป็นหลักจึงปากแน่นมากๆอัตมามันแค่ไมส่สิจริงจริง แถมไม่มีทุนทางสังคมใดๆเลยด้วยอาตมามีแต่ความจริงใจของอาตมาจึงต้องทำตามใจจริงที่เห็นจริงนี้มันยากจริงๆจึงต้องอุตสาหะสุดๆด้วยความเต็มใจตั้งใจทุ่มใจสุดใจอาตมาพูดได้แต่เพียงว่าอาตมาปรารถนาดีจริงใจไม่มีแฝง ความจริงใจของอาตมามีเต็มไม่มีเศษธุลีไม่จริงผลแม้แต่พูดก็จริงวาจาอาตมามีสิทธิ์เท่านี้อาตมาทำเต็มบริสุทธ์ตามสิทธิส่วนใครจะยอมรับจะเชื่อก็เป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนอาตมาละลาบละหลวงใครย่อมไม่ได้เลย